พุทธคุณประการที่สสุขโตการเข้าถึงพระพุทธคุณโดยธรรมดาไม่ใช่ของง่ายเลยการที่จะสอนหรือแนะนำให้จำได้และให้เข้าใจตามที่จำได้ข้อนี้ไม่ยากแต่ที่จะให้มีความรู้สึกเห็นด้วยอย่างจริงใจนั้นไม่ใช่ของง่ายเลยเพราะมันเหมือนกับคนหนึ่งมีความเมตตากรุณาสูงมีความซื่อสัตย์มีความกตัญญู มีความฉลาดรอบรู้ในเรื่องต่างๆหลายอย่างคนประเภทนี้ผู้ที่จะเข้าถึงก็คือคนที่มีพื้นนิสัยใกล้เคียงมีความรู้ความสามารถใกล้เคียงจึงจะอย่างใจคนประเภทนี้ได้คำว่าเข้าถึงหมายถึงรู้จักใจหรืออย่างใจได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าในเมื่อคนทั่วไปมีพื้นภูมิธรรมและพื้นสติปัญญาห่างไกลจากพระพุทธเจ้ามากมาย ฉะนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าถึงเช่นเราจะเห็นตัวอย่างจากบุคคลในครอบครัวบางครอบครัวสามีภรรยาพ่อแม่กับลูกทั้งที่อยู่ใกล้ชิดกันเป็นเวลานานแต่ที่ไม่สามารถจะเข้าใจกันได้ก็มีอยู่ไม่น้อยทั้งนี้ก็เพราะพื้นจิตใจต่างกันการที่ข้าพเจ้าต้องย้ำในเรื่องนี้อีกก็เพื่อต้องการจะเตือนให้รู้ว่าอย่าประมาทหรืออย่าชะล่าใจหรืออย่าลงผิด คิดว่าตัวเองเข้าใจเรื่องพุทธคุณดีข้าพเจ้าอธิบายมาแล้วหลายบทเฉพาะตอนนี้จะอธิบายเพิ่มอีกบทหนึ่งคือบทว่าสุขะโตสุขะโตโ ต, ตามสับแปล ว, ว่าสเสด็จไปดีในคำพีวิสุทธิมักได้อธิบายความหมายของคำนี้ไว้สี่อย่างคือหนึ่งคำว่าสุขะโต ซึ่งแปลว่าเสด็จไปดีนั้นในความหมายอันหนึ่งหมายความว่าเสด็จไปบนทางที่ถูกต้องซึ่งทางที่ว่านี้หมายถึงอริยามรรคมีองค์8ปดซึ่งเป็นทางเดียวที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงจากความหมายข้อนี้เราอาจจะถอดความแปลง่ายๆว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าหากใครเดินตามพระองค์แล้ว เขาผู้นั้นก็หวังแน่นอนว่าจะต้องได้พ้นจากความทุกข์แต่จงสังเกตว่าวิธีดำเนินชีวิตของคนในโลกกับวิธีดำเนินชีวิตของพระพุทธเจ้านั้นแตกต่างกันอย่างมากมายถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นจะได้ปฏิญาณตนแล้วว่าตัวเองนับถือพระพุทธศาสนาตั้งใจที่จะยึดถือเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งก็ตาม ทั้งนี้ก็เพราะเราไม่เข้าใจในวิธีดำเนินชีวิตของพระพุทธเจ้านั่นเองคนที่ได้ศึกษาในทางพระพุทธศาสนาและเข้าใจเป็นอย่างดีว่าพระพุทธเจ้าทรงดำเนินชีวิตอย่างไรและทรงสอนโลกไว้อย่างไรแต่แล่าส่วนมากก็มักจะรู้สึกว่าเขาจะประพฤติตามอย่างพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าเป็นพระพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสส่วนตัวเขาเองเป็นคารวาส กิเลสยิ่งหนาเพราะฉะนั้นเขาจึงเอาอย่างพระพุทธเจ้าไม่ได้เหตุผลของคนประเภทนี้อันที่จริงก็เป็นเหตุผลที่ถูกต้องเขาพูดออกมาอย่างจริงใจแต่จากเหตุผลเท่าที่อ้างมานี้ก็คือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเขาไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าเลยเพราะผู้ที่เข้าใจจริงๆเขาจะไม่พูดเช่นนี้แต่เขาจะพูดว่าทางดําเนินชีวิตที่ถูกต้อง ก็คือทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำสั่งสอนไว้เป็นทางที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติและได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์จริงตัวเขาเองถึงแม้โดยส่วนใหญ่จะปฏิบัติตามไม่ได้แต่เขาก็ตั้งใจอย่างแน่วแน่ ว, ว่าจะพยายามปฏิบัติตามอย่างพระองค์เท่าที่สามารถจะทำได้เขาจะไม่ตัดทางของตัวเองอย่างที่พูดว่าเขาทาไม่ได้เพราะกิเลส ข, ของเขายังหนา อะไรทำนองนี้ซึ่งการอ้างเหตุผลอย่างนี้ไม่ได้ช่วยให้ตัวเองดีขึ้นเลยความจริงพระพุทธเจ้าทรงทราบดีว่าคนส่วนมากจะประพฤติปฏิบัติอย่างพระองค์นั้นไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าก็ต้องการที่จะให้คนเหล่านั้นพยายามปฏิบัติบ้บางถึงแม้จะเป็นส่วนน้อยก็ยังดีกว่าที่จะไม่ปฏิบัติเสีเลยทุกคนอยากเป็นเศรษฐี แต่ทุกคนก็เป็นเศรษฐีไม่ได้เป็นได้บางคนเท่านั้นแต่ถึงกระนั้นเราก็จะพบว่าทุกๆคนก็พยายามดิ้นรนเพื่อที่จะสร้างฐานะให้ดีขึ้นขอให้สังเกตดูว่าคนทั่วไปนั้นในเมื่อเห็นใครก็มีเงินก็พยายามศึกษาดูว่าเขาทำงานอะไรมีความรู้ความสามารถอย่างไรครั้งแล้วเขาก็พยายามเรียนแบบในสิ่งที่ตัวเองพอจะทาได้ อย่างนี้ทำไมเราทำได้ทั้งๆ ท, ที่ก็ไม่มีหวังแน่นอนว่าจะได้เป็นเศรษฐีในทำนองเดียวกันถ้าหากเราแน่ใจว่าวิธีดำเนินชีวิตของพระพุทธเจ้าเป็นวิธีที่ถูกต้องและดีที่สุดถ้าเราเห็นด้วยอย่างจริงใจแล้วถึงอย่างไรเสียเราก็คงจะพยายามเรียนแบบบ้างตัวอย่างเช่นเมื่อมีใครเข้ามาด่ามาว่าหรือมีคนมาขัดใจ หรือในเมื่อต้องพลัดพรากจากบุคคลและสิ่งของอันเป็นที่รักเราควรจะคิดว่าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าทรงประสบเหตุการณ์อย่างนี้พระองค์จะทำอย่างไรแน่นอนเหลือเกินว่าถ้าเราอย่างใจพระพุทธเจ้าได้ถูกต้องเราก็คงจะตอบถูกว่าพระพุทธเจ้าจะต้องทรงคิดอย่างไรทรงทำใจอย่างไรแล้วเทียบเคียงกับใจของตน แม้เราจะยอมรับว่าเราทำใจอย่างพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็จริงแต่ถ้าหากเราม่นึกเปรียบเทียบเช่นนี้บ่อยๆเราก็ย่อมจะดีขึ้นอย่างแน่นอนเช่นความโกรธจะน้อยลงใจเย็นมากขึ้นความเศร้าโศกความเสียใจก็จะน้อยลงอย่างนี้เป็นต้ น, ฉะ น, นฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าเราจะทำใจอย่างพระพุทธเจ้าไม่ได้ทั้งหมดแต่ในเมื่อเรามีความตั้งใจที่จะเรียนแบบด้วยการนึกเปรียบเทียบ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วก็ย่อมจะทำให้ตัวเราดีขึ้นอย่างแน่นอนจะทำให้เราค่อยๆพ้นจากความทุกข์และค่อยๆสบายใจขึ้นโดยลำดับความหมายที่สองอีกนยะหนึ่งสุขโตซึ่งแปลว่าเสด็จไปดีนั้นหมายความว่าเสด็จไปโดยไม่ถอยหลัง ข้อนี้หมายความว่าสิ่งใดถ้าหากเราทำผิดหรือเดินทางผิดก็ต้องมาทำใหม่หรือมาเดินทางใหม่แต่สำหรับในกรณีของพระพุทธเจ้าถ้าพระองค์ได้ทรงทำสิ่งใดหรือได้ตราสิ่งใดหรือได้ทรงตัดสินสิ่งใดออกไปแล้วจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเด็ดขาดเสมอไม่ต้องมาแก้ไขอีกเช่นกิเลสอันใดพระองค์ทรงละได้แล้วก็เป็นอันแล้วไป กิเลดอันนั้นจะไม่เกิดขึ้นมาอีกอันที่จริงข้อนี้ก็มีความหมายคล้ายๆกับข้อที่หนึ่งแต่ท่านต้องการจะเน้นในประเด็นที่จะชี้ให้เห็นว่าพระพุทธองค์ทรงทําอะไรถูกต้องเสมอไม่ต้องทรงแก้ไขอะไรกันอีกซึ่งในเรื่องนี้คนทั่วไปย่อมไม่มีทางจะทําได้แต่การที่พระพุทธเจ้าทรงทาได้ก็เพราะพระพุทธเจ้าทรงเป็นสัพพันญู่ทรงสมบูรณ์ด้วยวิชา คืออภิญยาต่างๆเพราะฉะนั้นจึงไม่มีทางที่จะทรงทำอะไรผิดพลาดในข้อนี้รู้สึกว่าคนทั่วไปจะเอาอย่างไม่ได้แต่ถ้าหากเรานึกย้อนหลังไปในสมัยที่พระองค์ยังเป็นปุตุชนอยู่พระองค์ก็เคยทรงทำอะไรผิดเหมือนกันเช่นทรงทรมานร่างกายอย่างนี้เป็นต้นแต่ถึงกระนั้นลักษณะของพระองค์ที่แน่นอนอย่างหนึ่งก็คือก่อนที่จะทาอะไร พระองค์จะต้องทรงพิจารณาใคร้ครวนจนรอบครอบและเมื่อทรงแน่ใจว่าทำอย่างนี้ถูกและทรงตัดสินใจทำแล้วก็จะทรงพยายามทำไปจนถึงที่สุดไม่ทำอะไรครื่งเครืกลางๆเช่คคนครั้งแรกพระองค์ทรงเข้าใจว่าการทรมานร่างกายเป็นทางที่ถูกที่จะนำไปสู่จุดหมายปลายทางได้พระองค์ก็ทรงเดินตามทางนั้นไปจนถึงที่สุดจนกระทั่งแน่พระไทยว่า ทางนี้ผิดแน่พระองค์จึงได้ทรงเปลี่ยนทางเดินใหม่ไม่มีลักษณะจับจดหรือลังเลผิดเป็นผิดแต่ต้องให้รู้จริงๆซะก่อนจึงจะเลิกเพราะถ้าเดินเพียงครึ่งๆกลางๆแล้วก็เปลี่ยนไปเดินทางอื่นก็จะทำให้สงสัยอยู่เสมอว่าบางทีทางที่เราเดินมาก่อนนั้นอาจจะเป็นทางที่ถูกก็ได้เพราะทางใหม่นี้มันก็ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการเหมือนกัน ข้าพเจ้าคิดว่าถ้าเราจะเอาอย่างพระพุทธองค์ในลักษณะ น, นี้บ้างก็คงจะทำให้ชีวิตของเราเก้าวหน้าเร็วขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามในบางกรณีถ้าหากเราได้รับการตักเตือนจากผู้รู้ว่าเรากำลังทำผิดซึ่งถ้าหากจะรอให้เราเดินไปจนถึงที่สุดแล้วจึงจะวกไปทางอื่นตามคำแนะนำของผู้รู้นั้นก็อาจจะสายเกินไปเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีอย่างหนึ่งก็คือ ก่อนที่เราจะทำอะไรลงไปเราควรศึกษาเสียให้รอบคอบปรึกษากับผู้รู้ให้ดีให้พยายามใช้เหตุผลอย่าใช้อารมณ์โดยวิธีนี้ชีวิตของเราก็อาจจะราบรื่นดีกว่าที่จะฝืนไปตามความคิดของเราฝ่ายเดียวความหมายที่สอีกนัยยะหนึ่ง สุขโตซึ่งแปลว่าเสด็จไปดีนั้นหมายความว่าพระองค์เสด็จไปที่ไหนก็มีแต่จะทรงนำประโยชน์และสันติสุขไปให้ที่นั่นพระองค์ไม่เคยเสด็จไปที่ไหนแล้วทำให้เดือดร้อนและโดยเฉพาะยังยิ่งก็คือพระองค์ไปหาใครเสด็จไปที่ไหนพระองค์ทรงพิจารณาเห็นแล้วว่าจะเป็นประโยชน์แก่คนนั้นหรือสถานที่แห่งนั้นจึงได้เสด็จไป พระองค์ไม่เคยทรงทำอะไรแบบทรงเดชหรือทรงทำอะไรโดยไม่มีการกะแผนงานซึ่งข้อนี้ก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคนที่รักความก้าวหน้าซึ่งควรจะเอาอย่างไว้บ้างถึงแม้จะไม่ทุกครั้งทำบ้างในบางครั้งก็ยังดีอยู่นั่นเองความหมายที่สสุขะโตนอกจากจะแปลว่าเสด็จไปดีแล้ว ยังแปลได้อีกนัยยะหนึ่งว่าตรัส ด, ดีหรือตรัสโดยชอบคือคำว่าคตะในคำว่าสุขโตนั้นแปลว่าพูดก็ได้เพราะคำว่าคตะมาจากคำกิริยาว่าคัตติก็ได้คัตติในที่นี้แปลว่าพูดหรือกล่าวสุแปลว่าดีงามถูกต้องเพราะฉะนั้นคำว่าสุขโต จึงแปลว่าเป็นผู้ตรัส ด, ดีหรือตรัสถูกต้องซึ่งในคำภีพระไตรปิฎกได้บันทึกไว้ว่าพระพุทธเจ้าทรงมีหลักในการตรัสหกอย่างคือหนึ่งวาจาใดไม่เป็นความจริงไม่มีประโยชน์ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของคนอื่นพระตถาคตจะไม่ตรัสวาจานั้น 2. วาจาใดถึงแม้จะเป็นความจริง แต่ถ้าไม่มีประโยชน์ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของคนอื่นประตถาคตก็จะไม่ตรัสวาจานั้น 3. วาจาใดหักเป็นความจริงและมีประโยชน์ถึงแม้จะไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของคนอื่นในบางครั้งพระตถาคตก็ตรัสวาจานั้นเหมือนกันเช่นตรัสเรื่องอริยสัจแกณกรรมนิทซึ่งในขณะนั้นไม่ต้องการจะฟัง เราต้องการจะฟังเรื่องแดนสุขาวดีอย่างนี้เป็นต้น 4. วาจาใดไม่เป็นความจริงไม่มีประโยชน์ถึงแม้วาจานั้นจะเป็นที่รักที่ชอบใจของคนอื่นพระตถาคตก็จะไม่ตรัสวาจานั้น 5. วาจาใดถึงแม้จะเป็นความจริงแต่ถ้าไม่มีประโยชน์และถึงแม้จะเป็นที่รักที่ชอบใจของคนอื่นพระตถาคต ก็จะไม่ตรัสวาจานั้น 6. วาจาใดเป็นความจริงมีประโยชน์และเป็นที่รักที่ชอบใจของคนอื่นด้วยแม้ในการตรัสวาจาเช่นนี้ประตถาคตก็ยังทรงรู้จักเวลาในอันที่จะตรัสวาจานั้นหลักในการตรัสของพระพุทธเจ้าทั้งหอย่างดังกล่าวมานี้ขอให้พยายามจดจำเอาไว้ซึ่งประเด็นที่สาคัญมีอยู่ว่า เรื่องใดในเมื่อพระองค์ทรงรู้แจ้งว่าเป็นเรื่องไม่จริงและไม่มีประโยชน์แม้คนอื่นจะชอบฟังพระองค์ก็จะไม่ตรัสส่วนเรื่องใดเป็นเรื่องจริงและมีประโยชน์แม้คนอื่นจะไม่ชอบฟังบางครั้งพระองค์ก็ตรัสเหมือนกันในเมื่อทรงเห็นว่าจะมีประโยชน์แก่เขาในภายภาคหน้าและอีกอย่างหนึ่งเรื่องใดแม้จะเป็นเรื่องจริงและมีประโยชน์คนชอบฟัง แต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ไม่ตรัสพร่ำเพื่อพระองค์ทรงรู้จักกาลาเทศะว่าควรตรัสเวลาไหนในที่ใดและตรัสอย่างไรถึงจะเป็นความพอดีและเกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังด้วยเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงมีคุณสมบัติอย่างนี้จึงได้รับการขนามพระนามว่าสุขโตซึ่งแปลว่าผู้เสด็จไปดีหรือเป็นผู้ตรัสดี